232. อัฏฐจีวรมาติกาว่าด้วยจีวรที่เกิดขึ้นมี8มาติกาเรื่องมาติกาแห่งจีวร8ข้อ379ภิกษุทธั้งหลายมาติกาเพื่อความเกิดขึ้นแห่งจีวรมี8อย่างนี้คือ 1. ถวายแก่สีมา 2. ถวายตามกติกา 3. ถวายในที่จัดพิษสาหาร 4. ถวายแก่สงฆ์ 5. ถวายแก่สงฆ์ทั้งสองฝ่าย 6. ถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาแล้ว 7. ถวายเจาะจง 8. ถวายแก่บุคคล ที่ชื่อว่าถวายแก่สีมาได้แก่ภิกษุที่อยู่ในสีมามีจำนวนเท่าใดภิกษุเหล่านั้นพึงแบ่งกันที่ชื่อว่าถวายตามกติกาได้แก่อาว่าจำนวนมากมีลาบเสมอกันคือเมื่อทายกถวายในวัดหนึ่งชื่อว่าเป็นอันถวายทุกวัด ที่ชื่อว่าถวายในที่จัดพิกษาหารได้แก่ทายกทำศั ก, กระเป็นประจำแก่สงในที่ใดถวายในที่นั้นที่ชื่อว่าถวายแก่สงได้แก่สงอยู่พร้อมหน้ากันแบ่งที่ชื่อว่าถวายแก่สงสองฝ่ายได้แก่ภิกษุ แม้จะมีอยู่เป็นจํานวนมากแต่มีภิกษุณีอยู่รูปเดียวพึงให้ฝ่ายละครึ่งภิกษุณีแม้จะมีอยู่เป็นจํานวนมากแต่มีภิกษุอยู่รูปเดียวพึงให้ฝ่ายละครึ่งที่ชื่อว่าถวายแก่สงผู้จําพรรษาแล้วได้แก่ภิกษุมีจํานวนเท่าใดอยู่จําพรรษาแล้วในอาวาสนั้น ภิกษุเหล่านั้นพึงแบ่งกันที่ชื่อว่าถวายเจาะจงได้แก่ถวายเฉพาะข้าวต้มพัตตาหารของเคี้ยวจีวรเสนาสนะหรือเพศที่ชื่อว่าถวายแก่บุคคลได้แก่ถวายด้วยกล่าวว่าเรา ถวายจีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้จีวรขันธกะที่8จบ